กิเลส ช, ชาตินั้นพึงทราว่าภูมิรับทุ ป, ปันนะเพราะอัฏฐว่ายังละไม่ได้ก็กิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้และที่ยังนอนเนื่องอยู่ในขันเหล่าใดย่อมบังเกิดแก่บุคคลในวัตถุนั้นขันเหล่านั้นนนันเองของบุคคลนั้นเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นหาใช่ขันของบุคคลเหล่าอื่นไม่ ก, ก็ขันที่เป็นอดีตเท่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายที่บุคคลเหล่านั้นยังละไม่ได้และที่นอนเนื่องอยู่ในขันอดีตทั้งหลายหาใช่ขันนอกนี้ไม่ในขันที่เป็นอนาค ต, 85, เ, ป ต, Chest, itive, oid, no ตเป็นต้นก็ในย่านี้เหมือนกันอนหนึ่งขันที่เป็นกามาวจรเท่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายที่สัตว์ยังละไม่ได้และที่ยังนอนเนื่องอยู่ในกามาวจรขันทั้งหลายหาใช่ขันนอกนี้ไม่ในขันที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรเหล่านี้ก็ในย่านี้ คิดง่ายๆว่าถ้าผู้ใดยังไม่ทำปริญญานะยังทำปริญญาหรือทำกิจในอริยสัจไม่เสร็จเนี่ยนะก็สิ่งเหล่านั้นเป็นที่เกิดของกิเลสได้ทุกชนิดอย่างปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะกิเลสสามารถเกิดได้ทุกประเภททุกชนิดมีอะไรที่ปุตุชนทำไม่ได้บ้าง ย่งคิดง่ายๆว่าปุถุชนในกิเลสของปุถุชนเนี่ยโทสะสามารถที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเพทก็ทำได้ปุถุชนเนี่ยสามารถที่จะเป็นลทัทธิมิจฉาทิฏฐินับถือศาสดาไปเรื่อยก็ทำได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะปุถุชนยังไม่ได้อบรมโซดาปฏิมักให้เกิดเมื่อโสดาปฏิมักไม่เกิดอย่าคิดนะว่าเขาจะไม่คิดฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าฆ่าไม่สำเร็จก็ได้เพียงแต่ทำโลหิตุบัติทำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อเท่านั้นเอง ทําให้เลือดพระองค์ไม่ไหลเวียนนะเรียกว่าทําให้เลือดห่อพั้นปุตุช น, นสามารถคิดประทุสร้ายคิดทําลายได้หมดอย่าคิดว่าอะไรที่ปุตุชนกิเลส ท, ที่ปุตุชนไม่เกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิฉาจารมุสาวาตเป็นต้นเนี่ยกิเลสของปุตุชนเกิดได้หมดเลยถ้ากิเลสจะถูกกําจัดไปบ้างต่อเมื่อโสดาปฏิมาคเพราะโซดาปฏิมาคเป็นตัวตัดปัจจัยเสตตคาตะวิรัตเป็นนิโรธชักสะพาน ชักสะพานเสียเรียกว่าตัดสายสัมพันธ์แห่งปานาติบาต์อนุภาพของโสดาปฏิมาตัดสายสัมพันธ์แห่งทุศีนททั้งห้าข้อตัดสายสัมพันธ์แห่งปานาติบาต์ตัดสายสัมพันธ์แห่งอธินนาทานการเสุมิจฉาจาร์มุสาวาตและเดิมสุราและเมรัยตัดสายสัมพันธ์แห่งอากุศลกรรมบทที่หยาบชา้าเช่นมิจฉาทิฐิได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะนั้นอันนั้นคืออนุภาพของ โซดาปฏิมาศถ้าโสดาปฏิมาศยังไม่เกิดอะไรมั่งที่มันเกิดไม่ได้อะไรมั่งที่เป็นไปไม่ได้ราคะเป็นไปไม่ได้มีไหมไม่ได้ถ้าราคามันเกิดสมมติถ้าไฟมันยังถ้ามีไฟเล็กเท่าไม้ขีดอย่าคิดนะว่ามันจะไม่ไหมเมืองไม่แผ่นดินสามารถที่จะไหมท่วมได้ทุกประเภทนะเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันยังมีอยู่ถ้ายังมีเชื้ออยู่อย่าคิดว่าเป็นอะไรไม่ได้เหมือนอย่างว่าถ้ายังมีกายอยู่โรคโรคเกิดได้ไหม โรคอะไรบ้างที่มันเกิดไม่ได้ถ้ายังมีกายอยู่นะไม่มีโรคไหนที่เกิดไม่ได้หรอกถ้ายังมีกายอยู่เว้นไว้แต่ไม่มีกายนั่นแหละจึงไม่มีโรคถ้ายังไม่มีอริยมรรคเกิดขึ้นถ้ายังมีอุปาทานขันห้าอยู่มีที่ตรงใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นทุกแห่งจึงเป็นที่เกิดขึ้นของกิเลสสรุว่าที่ใดเป็นที่โคจรแห่งกิเลส ที่นั่นก็เป็นที่โคจรแห่งวิปั ส, สนาได้ที่ใดเป็นที่โคจรแห่งวิปั ส, สนาได้ที่นั่นเป็นที่โคจรแห่งกิเลสได้เว้นไว้แต่ว่าเจริญวิปั ส, สนาจนอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วณนะที่ตรงนั้นเนี่ยนะในสันดานของผู้นั้นเท่านั้นนะเช่นว่าถ้าโสดาปติมรรคเกิดขึ้นแก่บุคคลใดสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพัตะปรามมานไม่เกิดแก่ บุคคล น, นั้นแต่ไม่ได้แปลว่าบุคคล น, นั้นไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสของคนอื่นแต่ว่าเชื้อหนะตรงนั้นเนี่ยนั้นการปรินิพานการดับนั้นจึงเป็นเรื่องเฉพาะตนไม่ได้เป็นเรื่องสาธารณะเป็นของผู้ใดกับผู้ใดผู้ใดปฏิบัติก็เป็นของผู้นั้นไปเนี่ยนะ ก็กิเลสชาติอันมีวัตตะเป็นมูลนั้นๆมีอยู่ในขันทั้งหลายของพระอริยบุคคลใดๆในบรรดาพระโสดาบันเป็นต้นอันพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมละได้ด้วยมรรคเหล่านั้นเหล่านั้นขันเหล่านั้นเหล่านั้นของพระอริยบุคคลนั้นๆจะนับว่าเป็นภูมิไม่ได้สมมติว่าอย่างอารมณ์ภายในเนี่ยนะอารมณ์ภายในอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะ พระโสดาบันเนี่ยขันห้าของท่านไม่เป็นอารมณ์ของสกายติทิวิจิกิจฉาศีลพปะปรามาศของท่านอีกต่อไปเพราะพระโสดาบันจะไม่ประพฤติด้วยสกายติทิวิจิกิจฉาศีลพปะรปรามาศอีกต่อไปและพระโสดาบันจะไม่มีมัชชริยะอีกต่อไปจะไม่มีริสยาไม่มีมัชชริยะพระโสดาบันเนี่ยตักได้เด็ดขาดหมดเลยผนก็นเลิกถ้าพระสกาทาคามีเจริญขึ้นก็ทําราคะ กับโทสะอย่างหยาบให้เบาบางถ้านาคามีเกิดขึ้นก็ตัดการมาราคะและปฏิฆาได้อย่างเด็ดขาดถ้าราหัตมะเกิดขึ้นก็กำจัดอกุศลที่เหลือทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาดพันหลังจากนั้นจะไม่เป็นที่เกิดแห่งทิฏฐิไนเนอร์นะว่าหะทยาวัตถุของท่านเนี่ยนะจะไม่เป็นที่เกิดของกิเลสของท่านอีกต่อไปเนี่ยนะหทยาวัตถุของท่านก็ถือว่า เช่นถ้าโสดาปฏิมักเกิดขึ้นที่หาทยาวัตถุใดหากทยวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสที่มักนั้นนั้นเกิดขึ้นอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ก็ยังเป็นที่โคจรแห่งกิเลสของบุคคลอื่นอีกได้เพราะว่ากิเลสเหล่านั้นเนี่ยนะไม่เป็นที่เกิดของผ้ารยะบุคคลเหล่านั้นที่ละได้แล้วแต่ว่ากรรมที่ทําไว้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นกุศลก็ตามอากุศลก็ตามย่อมมีแก่ปุตุชนเพราะกิเลสที่มีวัตตะเป็นมูลอันปุตุชนยังละไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นวัตตะของปุตุชนนั้นจึงเป็นไปเพราะกิเลสเป็นปัจจัยเนี่ยนะกรรมวัดวิปากวัดทั้งหลายก็ไหลสืบเนื่องไปนะพราะชีวิตที่ไหลไปในสังสารวัฏของพวกปุตตุชนทั้งหลายมีอะไรเป็นปัจจัยผลักดันให้พาไป ให้เชื่อมอยู่นั่นแหละบอกว่าความเศร้ามองเป็นตัวเชื่อมมาไวเนี่ยนะเพราะไม่บริสุทธิ์เพราะไม่สะอาดไม่หมดจดอย่างแท้จริงวัตตก็เลยยังท่องเที่ยวไปไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้นนะเพราะตัวเศร้ามองนี่แหละตัวสมุทัยนี่แหละเชื่อมพบหนึ่งไว้กับพบหนึ่งเชื่อมชาติหนึ่งไว้กับชาติหนึ่งก็ไหลไ ป, ไปเนื่อยไปเมื่อมันไหลไปอย่างนี้มันก็สร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้ว เมื่อไหร่จะทําที่สุดแห่งกรรมได้ถ้าอริยมรรคไม่เกิดถ้าอริยมรรคไม่เกิดก็ยังโคจรไปอย่างนี้เรื่อยๆอันเวลาทํากุศลใดจึงให้ตั้งอุปนิสัยเพื่อให้โสดาปฏิมรรคเป็นต้นเกิดขึ้นจะได้ที่เรียกว่าอะไรนะรีบไปตัดภพที่แปดเป็นต้นได้รีบไปตัดอบายเป็นต้นให้ได้ก่อนเนี่ยนะครับค่อยปิดไล่ปิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าอริยมรรคยังไม่เกิดก็ท่องเที่ยวไปเถอะเนี่ยนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งอะนะ ไปหน้ำตาทุกภพทุกชาติเที่งไว้สักเท่าไหร่ดีสายน้ำตาเท่ากับน้ำทะเลน่นแหละนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ทะเลเดียวนะมีรูกกี่ทะเลมาแล้วกิเลสชาติที่มีวัตตะเป็นมูลนั้นของบุคคลนั้นไม่ควรกล่าวว่ามีในรูปประขันเท่านั้นไม่มีที่ขันอื่นเลยกิเลสนะั้นมันอยู่ที่ขันไหนกันแนะ่ที่ไหนที่มันเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแลย วิญญาณเพราะท้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสสารพัดชนิดเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่ว่ากิเลสเหล่านั้นยังนอนเนื่องอยู่ในขันท่าโดยไม่พิเศษกว่ากันไม่ต่างกันรอกนะว่ากิเลสมันจะอยู่แค่รูปเวทนาสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นการทําปริญญาจึงต้องทําปริญญาทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปควรรู้ยิ่งรูปควรกําหนดรู้รูปควรละรูปควรเจริญรูปควรทําให้แช้ง รูปควรรู้ยิ่งด้วยอะไรด้วยยาตะปริญญาควรกำหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาควรละด้วยปหาณะปริญญาควรเจริญอริยมรรคที่เรียกว่ารูปปะนิโรทคามินีปฏิปทาเนี่ยนะเจริญเพื่อทำรูปนิโรธให้แจ้งนะก็เรียกว่ารูปรูปสมุทายรูปนิโรรูปนิโรทคามิหนีปฏิปทาเนี่ยนะรู้เหตุเกิดความดับของรูปเป็นต้นพันทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณถ้าพิจารณาไม่สำเร็จจะไปไหนรูปเหล่านั้นอยากคิดนะว่าเพาะไม่ขึ้นเพราะอะไรอยากคิดว่าเพราะกิเลสไม่ขึ้นรูปไหนบ้างเพาะกิเลสไม่ขึ้นมีไหมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นสายแพทย์นะรูปตรงไหนบ้างมันเพาะเชื้อโรคไม่ได้บ้างเอาอะไรไปเพาะเชื้อไม่ได้บา้านนี่ทุกอย่างมันเพาะได้หมดฉันใดนี่ก็เหมือนการเป็นที่อาศัยเพาะขอ ง, ของกิเลสได้หมดในทุกรูป ก็เพราะเหตุที่กิเลสชาตินั้นนอนเนื่องอยู่ในขันท่าทุกขันคําว่านอนเนื่องนอนเนื่องโดยอะไรคือถ้าไม่ได้ทําปริญญาในไม่แทงตลอดอริยสัจในขันใดๆอยากคิดนะว่าขันเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอย่างสมมุติเลยอย่างเราเนี่ยนั่งอยู่กันเฉยๆฟังธรรมสบายๆอย่างนี้นะเลิกโกรธหรือยังยังไม่ได้ปัจจัยเท่านั้นแหละถ้าได้ปัจจัยล่ะอนะ ตอนนี้มันไม่ได้ปัจจัยแล้ก็เลยอะไรนะนิ่ ง, งสงบสงเงียมกันน่อนะถ้าลองมันได้ปัจจัยดูเธอเนี่ยนะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทุกหนทุกแห่งเป็นที่ซึมซาบแห่งกิเลสทั้งหมดเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนรถแห่งพื้นดินเป็นต้นที่ติดอยู่ที่ต้นไม้ฉะนั้นเหมือนอย่างว่าเมื่อต้นไม้เนี่ยขึ้นอยู่ที่พื้นดินอาศัยรถแห่งดินและรถแห่งน้ําเจริญ ง, งอกงามขึ้น ด้วยรากนะนะรากก็มีลำตน้นมีกิง่งมีใบอ่อนมีใบแก่มีดอกมีผลสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะได้อะไรเพราะอาศัยรดแห่งดินและรดแห่งน้ํานั่นแหละเป็นปัจจัยต้นไม้เหล่านั้นก็เจริญเติบโตทําท้องฟ้าให้เต็มนะมีการสืบต่อเชื้อสายของต้นไม้เอาไว้ก็เพราะพืชที่สืบต่อกันมาคืออาศัยเมล็ดที่เพราะสืบต่อกันมาดํารงอยู่จนถึง การปาวาสารสืบเนื่องไหลไปเนี่ยนะสายสัมพันธ์กระแสะแห่งต้นพืชที่สืบเนื่องมาจนถึงจุกวันนี่นะรถแห่งแผ่นดินเป็นต้นนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าดินเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่เฉพาะที่รากของต้นไม้เท่านั้นดินอะดินกับน้ําอยู่ที่เฉพาะที่รากเท่านั้นหรือไม่มีที่ลําต้นหรือเป็นต้นต้นไม้ทั้งหมดก็คือดินน้ำฝอยลมนั่นแหละที่เป็นอะไรเกิดจากการเพราะอาศัยเชื้อแห่งรถน้ํารถดินเป็นต้นนี่แหล ะ, จะเจริญเติบโตเรียกว่า ต้นไม้เนี่ยนะไม่ใช่บอกว่าดินอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งดินถ้ายังมีต้นไม้อยู่ณนะตรงใดที่นั้นก็มีดินมีน้ํามีไฟมีลมหมดนะนะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษสองตัวคือดินกับน้ําเพราะทุกแห่งทั้งหมดลำต้นของต้นไม้มีรดดินซึมซาบทั้งหมดโดยไม่พิเศษกว่ากันฉันใดกิเลส ช, ชาติก็มันซึมเหมือนกับ ดินน้ำมันอยู่ที่ขันทุกขันฉันนั้นอย่างวิบากและกรรมมรูปอะไรเป็นตัวสร้างให้เกิดวิบากและกรรมมรูปเกิดจากอุปาทานและกรรมนี่นะอวิชารูปเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดเวทนาเกิดก็ในยะเดียวกันนี่นะทีนี้อ้าวแล้วกุศลเกิดเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นดินแดนโคจรของกิเลสอยู่ไว เป็นคือขันเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเป็นที่เกิดจากกิเลสกุศลที่เกิดก็ยังชื่อว่าเป็นผลผลิตของกิเลสอยู่ดีใช่เป็นผลผลิดของกิเลสไหมเป็นอย่างเช่นเนะี่ยมองเห็นเนี่ยนะตาสีจากขูวิญญาณผัสสะเวทนานี้เป็นเป็นผลของกรรมและกิเลสในอดีตท่านเมื่อผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลกุศลอันนี้ก็ยังชื่อว่าเป็นผลพวงของ กิเลสในอดีตจูดีเว้นไว้แต่อริยมรรคเท่านั้นแหละชื่ออริยมรรคชื่อว่าไม่ได้เกิดจากกิเลสไม่ใช่กิเลสสร้างมรรคนะเพรา ะ, ะนันกุศลเนี่ยเป็นอุปนิสัยตัดใจให้เกิดอริยมรรคไม่ใช่กิเลสเป็นตัวสร้างมรรคขึ้นท่านก็อยากอธิบายว่าอย่าอย่าอย่าคิดเป็นอื่นไปนะทุกผนทุกแห่งเป็นที่เกิดของกิเลสได้หมดนะเป็นที่คิดอีกภาษาหนึ่งนะสำนวนหนึ่งว่า เราคิดถึงอะไรแล้วเกิดในภพใหม่ไม่ได้บ้างอ่อมีไหมชีวิตของเราเรานะคิดถึงสิ่งใดแล้วไม่ทําให้เกิดในภพให ม, ม่มีไหมไม่มีอ่ะเชืเอ่อคิดทุกเรื่องถ้าคิดถึงอะไรอยู่ก็ได้ตายแล้วเกิดใหม่ได้หมดเลยปฏิสนธิในภพใหม่ได้หมดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะทุกแห่งเป็นที่โครจรแห่งกรรมเพื่อนํานเกิดในภพใหม่ทั้งหมดพอคิดถึงอะไรก็จุติ ป, ปฏิสนธิได้บ้างอะไรบ้างที่ไม่เป็นอารมณ์ของจุติ ป, ปฏิสนธิ โลกุตระธรรมเท่านั้นแหละที่ไม่เป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิที่เหลือถือว่าเป็นอยู่ในดินแดนแห่งจุติและปฏิสนธิทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จนกว่าจะเจริญโลกุตระธรรมนั่นแหละจึงจะออกจากจุติและปฏิสนธิได้เหมือนอย่างว่าบุรุษบางคนเนี่ยเบื่อในดอกผลเป็นต้นเบื่อแล้วเกินสายพันธ์ต้นไม้แห่งความเลวร้ายอันนี้เหมือนกัน ก็เลยใส่ ย, ยาพิษชื่อว่ามันดุกะกันด ะ, ะลงที่ต้นไม้ในทิศทั้งสี่เมื่อเป็นเช่นนั้นต้นไม้นั้นได้รับสัมผัสที่เป็นพิษนั้นถูกต้องเข้าแล้วก็ไม่สามารถเพื่อจะทำการสืบต่อเกิดขึ้นอีกได้เพราะมีน้ำออกน้อยเป็นธรรมดาเนื่องจากรถแห่งแผ่นดินและรถแห่ง น, น้ำถูกยาพิษครอบงำแล้วฉันใดกลบุตรผู้เบื่อหน่ายในความเป็นไปของขันห้าก็ฉนนั้นเหมือนกัน ปรารบการเจริญอริยมรรคทั้งสี่ในสันดานของตนดดการที่บุรุษนั้นประกอบยาพิษในทิศทั้งสเมื่อเป็นเช่นนั้นขันธสันดานของกุลบรนั้นที่แตกต่างกันโดยกรรมทั้งปวงมีกายกรรมที่เข้าถึงศักว่าความเป็นกิริยาเป็นต้นเพราะกิเลสที่มีวัตตาเป็นมูลถูกสัมผัสคือยาพิษคือมรรคทั้งสี่นั้นครอบงำแล้วโดยประการทั้งปวง จึงไม่สามารถที่จะทำขันทันดานคือพบใหม่ให้บังเกิดขึ้นได้เพราะถึงความไม่เกิดขึ้นในพบใหม่เป็นธรรมดาแต่ว่าอนุปาทานคือความไม่ยึดถือย่อมดับไปอย่างเดียวเพราะความดับไปแห่งปุริมะวิญญาณเพราะจิตดวงก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ไม่เป็นไปดดไฟป่าบังเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะหมดเชื้อฉนั้น